ไปบ้านตากหรือเปล่าอยู่ดอนเคยวัดป่าเคยไปวัดป่าบ้านตากหรือเปล่าไปประจําเจ้าค่ะอ่าไปวันไหนเล้ทมที่ว่าไปประจําไปวันไหนอ่าช่วงหลวงตาอยู่ก็ได้ไปจัดอาหารก็ได้ประคีรแล้วได้ถวายเจ้าค่ะไปทุกวันเลยเลยหรือว่าเกือบเกือค่ะเกือบทุกวันเล ย, เลยเก็ทุกวันเดีวบากวันไหนปิดภารกิจงานก็ไม่ได้ไปเจ้าค่ะแต่ว่าก็ไปบ่อยนะคะ อาทิตย์หนึ่งก wow okay. ็สี่วันสามวันหสามสี่วันห้าวันในในในหนึ่งอาทิตย์ช่วงที่หลวงตาอยู่นะอยู่ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ไปบ้างหรือเป่าไปบ้างอยู่เจ้าค่ะยังเหมือนเดินหรอ่าไม่เหมือนเดินเท่าไหร่เจ้าค่ะเพราะว่าก็ก็อาหารก็น้อยลงคนก็น้อยลงอพักก็น้อยลงไปค่ะไปไปใช้แรงงานอืเป็นยังไงมาใช้แรงงานไปช่วยปลอกผลไม้จัดอาหารเจ้าค่ะ แล้วบ้านอยู่ในตัวเมืองอุดรนะอยู่ในตัวเมืองเจ้าค่ะเมื่อวานเมื่อวานมอบถนนถวายหลวงตาเข้าไปเจดีย์ทำพิธีแต่ลูกไม่ได้อยู่เจ้าค่ะดินแล้วชนบุรีไปถึงพิพิธภัณฑ์เจ้าค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมยังค่ะดำเนินการสร้างแต่ถนนชาวบ้านบริจาคเจ้าค่ะอถนนจากตรงนั้นจากถนนใหญ่เข้าไปจากถนนใหญ่เข้าไปเจดีย์ตรงเลยเจ้าค่ะ เป็นเจดีย์หรือเป็นพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ใช่ไหมน่จาจะพิพิธภัณฑ์เจ้าค่ะหลงปู่ส้เจดีย์แล้วเจ้ค่ะขอะ้อันนั้นอยู่ที่บันตากบันตากก็มีเลยะลวงปู่ท่านก็สร้างเป็นเจดีย์เป็นรูปทรงของคล้ายๆของโลวงปูมั่นที่สกลเจ้าค่ะอ๋อนันเขาเรียกพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ใช่ไหมคะแต่ข้างๆการที่สร้างตอนนี้คือเป็นพระหญิงท่านทรงเป็น องประธานเจ้าค่ะอเริ่มสร้างแล้วใช่ไหมเริ่มเริ่มสร้างแล้วค่ะออืบริษัทเข้าเข้าไปดำเนินการเบื้องต้นแล้วประมาณงบประมาณสี่ร้อยกว่าล้านเจ้าค่ะออเดีก็หลวงปู่หลวงตาท่านกระจายไปตั้งหลายปีแล้วห้าปีแล้วม้งห้าหกปีแล้าหกปีแล้วค่ะอืมได้หลวงพ่ออินถวายนําในสายพระเจ้าค่ะอืก็ดีทําเป็นอนุสรณ์ เด็ได้อ่านหนังสือหลวงพ่อสีไทยใหม่เข้าเอาไปเจกแล้วค่ะหลวงพ่อสีไทยใหม่ท่านอยู่ที่วัดท่ามสาย์ใช่ไหมเด็กอยู่ท่าสหาย์บวชอยู่เจ้าค่ะออรู้จักกันรู้จักกันนะค่ะรู้จักกับท่านมาก่อนเวลางานหลวงตาเอาหนังสือหลวงพ่อไปแจกอยู่เจ้าค่ะอ่าพิมพ์อยู่เรื่อยๆเจ้าค่ะอ่ากันดีขุนขึ้นก็อุปถัมภ์อยู่ท่ามสายอยู่ค่ะอืม นอกจากว่าหนวงตาแล้วไปวัดอื่นบ้างไหมปาลูกจะไปถ้ำสหายไปผาแดงหลวงปู่ลีหลวงพ่ออินถวายแล้วก็หลวงปู่แบนหลงปู่แบนลอยธรรมเจดีเวลาแล้วงครูบาอาจารย์หลวงปู่อุ่นเจ้าค่ะนี่นะคะสายหลวงตาอย่างนี้วได้มีโอกาสไปพักค้างคืนบ้างไหมลูกลูกไปวัดป่าดอยถายโซไปปฏิบัติอีกแปดวันเจ้าค่ะอ่า อยู่ที่ไหนนะวัดปาดอนไทยสวยท่านนองหารเจ้าค่ะเป็นลูกศิลวงปูเทศท่านจะเน้นให้คนปฏิบัติอืเป็นคนไปปฏิบัติเยอะไหมก็เดือนหนึ่งท่านจัดแปดวันก็ประมาณร้อยยี่สิบคนเจ้าค่ะเพราะเป็นสถานที่มีที่พักมีอะไรก็รับได้ประมาณเท่านั้นนะเจ้าค่ะแล้วก็มีคนพาปฏิบัติ มีภาพภาพอะไรบ้างูปไปอยู่ท่ามถ่ายก็เกเรไม่ค่อยปฏิบงงงงงัติง่ายค่ะแล้วไปอยู่อย่างนี้มันฝึกเลยค่ะวทถานเลยค่ะอ่าเกเรไม่ได้กระดิบ<น>ไม่ได้ค่ะสองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสมชั่วโมงก็อยู่อย่างงยนะคะแต่ถ้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์ก็เกเรนะคะใช่คือแล้วแต่บางวัดเขาปล่อยให้เราปฏิบัติไป<ช>ตามกําลังของเราไม่บังคับกันบางวัดเขาก็บังคับใช่ค่ะอื ถ้าเราบังคับตัวเราเองไม่ได้เราก็ต้องไปที่เขาบังคับเราก่อนเค่ะ <impressed. S 1> ถ้าเราบังคับตัวเราเองได้แล้วเราก็ไปปฏิบัติของเราเองได้เค่ะ <improved. S 1> <Poke. S 1> เพราะว่ามันได้ประโยชน์ต่างกันถ้าต้องให้เขาบังคับนี้ต้องไปปฏิบัติพร้อมๆกันหลายคนมันก็ได้ได้การบังคับได้การปฏิบัติแต่มันจะไม่ได้ผลมาก เพราะคนมากมันก็ต้องมีอะไรที่มาทำให้ใจเรายัางไม่นิ่งไม่สงบแต่ถ้าเราปฏิบัติเองได้เราไปปฏิบัติคนเดียวนี่มันจะไม่มีอะไรมาคอยนบปวนใจนจะไม่มีคนให้เรามาคอยกังวลด้วยคอยพูดคุยด้วยมันก็จะทำให้ได้ผลดีกว่า แต่เบื้องต้นถ้าเรายังบังคับตัวเราเองไม่ได้เราก็ต้องอาศัยไปให้เขาบังคับเราก่อนก็ต้องไปปฏิบัติเป็นกลุ่มพอเราเริ่มมีกำลังที่เราสามารถที่จะบังคับตัวเราได้เราก็ไปปฏิบัติตามว่าที่เขาไม่ได้บังคับปล่อยให้เราปฏิบัติไปตามอธัธยาศัย เพราะเราอาจจะปฏิบัติมากกว่าเขาบังคับอีกถ้าเราปฏิบัติได้แนละ้วเพราะการปฏิบัตินี้เราสามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่ตื่น <c oughs> ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับเนะี่ันก็มีสองระดับด้วยกันระดับแรกก็เหมือนโรงเรียนอนุบาลต้องให้มีครูคอยพาทำแต่พอเข้าไปสู่ระดับ มัธยมหรืออุดมศึกษาแล้วก็จะต้องทำกันเองแต่มันก็ได้ผลต่างกันตอนนี้ยังต้องไปแบบอนุบาลอยู่ยังไปอยู่ปฏิบัติเองไม่ได้เพราะมันจะทะเลทลาหอ่านั่นว่าสติยังไม่มีกำลังมากพอ ถ้ามีสติมีกำลังมากพอจิตมันจะนั่งสมาธิได้นานได้สงบแล้วมันจะมีความสุขแล้วมันอยากจะนั่งเองไม่ต้องบังคับแต่ถ้าสติยังไม่มีกาลังนั่งแล้วมันก็ไม่สงบมันไม่สุขมันก็ไม่อยากจะนั่งถ้าจะนั่งก็ต้องถูกบังคับให้นั่งเหตนตอนนี้ก็ต้องทำอย่างนี้ไปก่อน ถ้าไม่มีคนอื่นบังคับเราอาจจะต้องบังคับตัวเราเองเช่นเรากำหนดเวลาว่าเวลานี้เราจะต้องนั่งสมาธิเท่านั้นเท่านี้แล้ถึงเวลาเราก็ต้องทำตามที่เรากำหนดไว้เพราะว่าถ้าเราอยากจะก้าวหน้าเราต้องทำบ่อยๆทำให้มากๆถ้ารอให้ไปแต่เวลาไปวัดอย่างเดียวมันจะไม่พอ อยู่บ้านก็ต้องทําออย่างน้อยต้องหาเวลาทําบ้างมีลูกมีอะไรป่ะไม่มีก็ไม่มีก็แย่ก็สบายหน่อยถ้ามีลูกเต้ามันก็จะไม่มีเวลามันก็มีสามีก็ต้องขออนุญาตสามีขอเวลาอไปทําด้วยกันจ้ะค่ะทําด้วยกันนะลู ก, กบอกเสมอว่าให้เปิดหลวงพ่อฟังจ้ค่ะเอ่อเ่วงที่ลูกมี เรื่องทางโลกหนั ก, นกๆก็ฟังหลงได้ฟังเทศหลวงพ่อแล้วก็เบาสิค่ ะ, ะมันก็ช่วยได้เป็นพักๆแต่มันยังไม่ช่วยแบบถอนรากถอนโคนเหมือนเป็นยาหมองเวลาเจ็บก็เอายาหม่องมาทาหน่อยเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวมันก็เจ็บใหม่อีกแผลมันไม่แผลมันเหตุที่ทาให้แผลมันปีแผลมันยังไม่หมดแต่ถ้าเราปฏิบัติลึกเข้าไป ถ้าเข้าสู่ระดับภาวนาได้เนี่ยมันจะกําจัดเรื่องวุ่นวายต่างๆภายในใจให้หมดไปได้เพราะเราเข้าไปถอนรากถอนโคนของเรื่องของปัญหารากเรื่องของปัญหาก็คือกิเลสตัณหาของเรานี่แหละเหมือนที่ทําให้เราวุ่นวายใจกันไม่ใช่เพราะว่าเงินทองขาดหรือคนนั้นเขาไม่ชอบที่หน้าเราคนนั้นเขากันแกล้งเราหรือ เขาทำอะไรไม่ดีกับเราสิ่งภายนอกนี้มันไม่ได้เป็นรากของปัญหามันไม่ได้เป็นต้นเหตุของความวุ่นวายใจต่างๆต้นเหตุของความวุ่นเจาหายใจคือกิเลสตัณหาของเราความโลภความโกรธความหลงของเราความอยากต่างๆของเราอันนี้แหละถ้าเราภาวนาเราก็จะสามารถถอนรากถอนโคนของกิเลสตัณหา ของความอยากต่างๆได้แต่ถ้ายังไม่ได้ก็ต้องอาศัยแก่ไปเป็นพักๆเจนวุ่นวายใจก็ฟังธรรมะไปฟังเทศไปแล้วพอได้ฟังแล้วก็อาจจะทาให้ใจสบายใจเบาปล่อยวางได้ชั่วคราวเดี๋ยวพอไม่ได้ฟังก็ลืมเดี๋ยวก็กลับไปโลกไปโกรธไปอยากไปหลงอีก ก็ยังดีกว่าไปแก้โดยวิธีที่ไม่ถูกเช่นเวลาไม่สบายใจก็ไปเที่ยวกันไปห้องกงกันไปเที่ยวที่ไหนกันเพื่อหนีความวุ่นวายใจชั่วคราวเดี๋ยวกลับมาก็เจอความวุ่นวายใจเจอเรื่องราวที่ทำให้เราวุ่นวายใจแต่ตัวที่ทำให้เราวุ่นวายใจไม่ใช่เรื่องราวแต่ใจของเรากิเลสของเราเนี่ยที่มันไม่ มันไม่ชอบเรื่องที่เรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เลยทำให้เราวุ่นวายใจกันไปยันต่อให้เราหนีไปที่กี่ครั้งกลับมาก็ยังเหมือนเดิมอยู่ถ้าอยากจะแก้ปัญหาเราก็ต้องแก้ด้วยการภาวนาไปอยู่วัดดีกว่าถ้ามีปัญหามากๆใจไม่สงบใจวุ่นวายก็ไปอยู่วัดไม่ได้หนีปัญหาเราเพียงแต่ว่าเราต้องไปสร้างกำลัง ไปสร้างเครื่องมือไปสร้างอาวุธขึ้นมาคือสติสมาธิปัญญานถ้าเรามีสมสติสมาธิปัญญาแล้วเราก็กลับมาอยู่กับเรื่องราวต่างๆได้อย่างไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมา ธ, ไมมมาธิไม่มีปัญญาใจเราก็จะวุ่นวายไปเดือดร้อนไม่สบายใจทุกข์ใจกันเราก็เลยต้อง หนีหนีปัญหาชั่วข่าวหลบไปสร้างกำลังก่อนไปหาอาวุธมาต่อสู้ไปสร้างสติไปสร้างสมาธิไปสร้างปัญญาพอเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วทีนี้เราก็จะสามารถที่จะอยู่กับเรื่องราวต่างๆได้โดยไม่วุ่นวายใจเพราะเราจะคุมความโนภความอยากของเราได้คุมกิเลสตัณหาได้ แต่ตอนนี้เราคุมไม่ได้พอเห็นอะไรก็ไม่พอใจก็โกรธเห็นอะไรพอใจก็อยากได้มันก็เลยทำให้ใจเราวุ่นวายเพราะเวลาอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็วุ่นวายใจเวลาโกรธก็ทำให้เราร้อนใจทุกข์ใจขึ้นมาฉะนั้นควรที่จะไปหาเวลาสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญา ให้มีกำลังมากขึ้นแต่มีกำลังมากขึ้นแล้วเราจะสามารถกาจัดเรื่องวุ่นวายใจต่างๆได้ ค, คือกาจัดต้นเหตุของเรื่องสิ่งต่างๆภายนอกเราไม่ต้องไปทำอะไรหรอกเพียงแต่เราปล่อยเขาเราไม่ไปยุ่งกับเขาเรื่องมันก็จบแต่เราปล่อยไม่ได้สิตัวที่ตัวที่จะปล่อยไม่ยอมปล่อย คือใจเราไม่ยอมปล่อยใจมันโลภมันอยากอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็เลยทําให้ใจเราวุ่นวายเราต้องมาสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาแล้วมันจะดึงใจให้ อ, ออกจากสิ่งต่างๆที่มันไปยึดไปติดได้ปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ าการปฏิบัติก็จึงสำคัญการไปทำบุญใส่บาตรฟังเทศฟังธรรมก็เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติเพราะถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมเราก็จะไม่รู้วิธีการปฏิบัติาการทำบุญก็จะทำให้เร า, าได้ลดกิเลสตัณหาความโลภความอยากลงไปในระดับหนึ่งแล้วจะทำให้เรารักษาศีลได้ พอเรารักษาศีลได้เราก็จะได้อมีเวลาไปภาวนาได้ถ้าเรายังรักษาศีลไม่ได้ใจเราก็ยังจะวูดวายไปกับเรื่องราวต่างๆนีู่ก็ต้องทําเป็นขั้นเป็นตอนตอนต้นก็เป็นนักบุญไปก่อนนักบุญก็ทําบุญทําทานรักษาศีลฟังเทศน์ฟังธรรม ภาวนานิ้นๆหน่อยๆตามโอกาสแล้วต่อไปก็ลองไปเป็นนักบวชไปอยู่วัดทีละแปดวันสิบวันอย่างนี้ตอนนั้นไปไปหัดเป็นนักบวชไปเจอศีลแปดศีลอนักบวชคือศีลแปดขึ้นไปคือตัดการหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกเนื้นกายเพื่อจะได้มีเวลา มาสร้างความสุขทางใจสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาที่จะเอาไปต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆมอนก็แล้วใหม่ๆก็อาจจะต้องสลับไปสลับมาบางทีก็เป็นนักบุญไปทำบุญใส่บาตรฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็ต้องกลับบ้านไปทำมาหากินทำงานทำการ อยู่บ้านถ้ามีเวลาว่างก่อนนอนก็นั่งสมาธิกันหน่อยเช้าตื่นขึ้นมาก็นั่งสมาธิกันหน่อยพอจะได้มีอะไรเป็นเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจเป็นเครื่องสอนให้เราฝึกให้เราฝึกนั่งสมาธิกันแต่พอเรามีเวลาว่างเราก็ไปอยู่วัดไปหัดเป็นนักบวช ไปภาวนามากมากกว่าการไปทําบุญทําทานเวลาภาวนานี้ไม่ต้องกังวลเรื่องทําบุญทําทานนะตอนนั้นเราต้องการใช้เวลาให้กับการภาวนาให้มากที่สุดก็ต้องทําไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะมีกําลังมากขึ้นใจจะมีกําลังมากขึ้นจะไป ปฏิบัติได้มากขึ้นจะปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เรายึดติดหรือมีความผูกพันได้มากขึ้นแล้วต่อไปก็อาจจะไปบวชได้อย่างถาวรเลยกลยอ่านประวัติของหลว ง, งปู่พรหมว่าอาจารย์พรหมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มันท่านก็เป็นคนอุดอรท่านเป็นเศรษฐีชาวนาชาวไร่ เป็นสามีภรรยาแต่ไม่มีลูกมีเต้าแล้วท่านก็สนใจไปวัดไปปฏิบัติทั้งคู่ทั้งสามีทั้งภรรยาจนถึงวันหนึ่งก็อยากจะออกบวชกันก็เลยประกาศบอกให้ชาวบ้านรู้ว่าใครไม่มีวัวไม่มีควายไม่มีที่ไม่มีนาก็มาขอได้ท่านจะยกให้ท่านจะสละสมบัติทั้งหมดไป เพไปบวชตัวท่านก็ไปบวชแล้วก็ไปติดตามหลวงปู่มั่นไปศึกษากับหลวงปู่มั่นภรรยาก็บวชีอยู่ที่วัดตอนหลังนี้ก็ได้ข่าวว่ากระดูกท่านก็กลายเป็นพระธาตุไปเวลาที่ท่านตายไปหลวงปู่พงศที่เป็นพระอาจารย์ของพระอาจารย์เปลี่ยนมจาจากพระอาจารย์เปลี่ยนอ่านะ อันนี้อยู่เชียงใหม่เชียงใหม่ของปู่พรอมนี้น้ตงตาก็เขียนประวัติย่อๆไว้ในหนังสือปฏิทัปปฏิปัาพระทุนดงหรือประวัติพระอาจารย์มัน่นจำไม่ได้ท่านก็มาจากคารวาดเหมือนกันพระปฏิบัติพระพระอาราหันต์ทั้งหลายที่ไปบวชันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคารวาดกันก่อนแล้วก็ฝึกในขณะที่เป็นคารวะ พอมีกำลังพอที่จะไปบวชได้ก็ไปบวชถ้าบวดแล้วมันก็จะสามารถที่จะปฏิบัติได้เต็มร้อยถ้าปฏิบัติได้เต็มร้อยผลมันก็จะเกิดได้เร็วถ้าปฏิบัติไม่เต็มร้อยผลมันก็เกิดช้าหรืออาจจะไม่เกิดได้เพราะกำลังมันไม่พอกำลังที่จะความกิเลสตัณหานี้ไม่พอ แต่ถ้าปฏิบัติเต็มร้อยนี่สติปัญญาสมาธินี้จะมีกำลังมากพอกิเลสโผล่ขึ้นมาก็ดับมันได้หยุดมันได้ดนั้นก็ขออนุมโมทนายินดีที่กับบุญที่กำลังทำอยู่ในตอนนี้นนก็ขอให้ทำให้มากขึ้นไปขอถวายบูชาคุณครูบาอาจารย์ ของ<อ><อ>พ่สุชาติด้เจ้าค่ะ<อ><อ>ไม่มีอะไรประเสริญยิ่งกว่าธรรมะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราจะใช้ดับความทุกข์ได้ไม่มีอะไรที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นอกจากธรรมะของพระพุทธเจ้าของต่างๆที่มีในโลกนี้ทำไม่ได้ต่อให้มีทรัพย์สมบัติกี่ร้อยล้านพันล้านก็ดับความทุกข์ใจเราไม่ได้ ยุติการเวียนว่ายตายเกิดของเราไม่ได้ถ่อให้มีตำแหน่งใหญ่โตขนาดไหนมีบริษัทบริวารมาคอยยกย่องสรรเสริญเยนยอก็ไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้มีธรรมะทะ่านคุณธนันชัยก็เลยไปบวชนะอายุเกือบแปดสิบล้วมันยังยังสู้เลยธนันชัยนี้เข้าวัดตั้งแต่สมัยเราไปอยู่บ้านตาด ทั้งปีหนึ่งแปดนั่นก็เจอแกตั้งมาหน้าร้ยหนึ่งจานช่งนั้นแกก็จะไปใส่บาตรตอนเช้าอยู่เรื่อยๆไดยอาหารในเมืองก็คุณตนานชัยเนี่ยซื้อไปเพราะทำงานอยู่บ้านตาก็จะมีอาหารชาวบ้านวันธรรมดาจะไม่มีคนในเมืองไปคนในเมืองก็จะไปเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดวันอื่นก็อาใส่อาหารที่ชาวบ้านบ้านตาดใส่ให้ แล้วก็อาหารในโรงครัวที่หลวงตาสั่งให้ญาติโยมทำมาถวายพระก็เป็นพวกผัดนี่ผัดผักผัดข้หน้าผัดอะไรวันละหม่อสองหม้อแต่ถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ก็จะมีของในเมืองเข้าไปคุณธนานชายเขาก็จะไปเอของในเมืองไปถวายพระก็รู้จักแกตั้งแต่สมัยนั้นมา แต่ก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกันเพราะว่าอยู่ที่นั่นไม่ได้ลงตาไม่ให้พระเกี่ยวข้องกับโยมลงตาให้พระภาวนาถ้าเกี่ยวข้องกับโยมก็เดี๋ยวจะเรื่องมากมก็เลยไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกันเพียงแต่รู้จักกันไม่ค่อยได้พูดจาอะไรกันเท่าไหร่ทักทายกันนิดหน่อยอแต่หลังจากออกจากบ้านตาก็ยังเจอกันอยู่บ้าง เธอผ่านมาทางนี้ก็แวะมาเยี่ยมเยียนแล้วก็แสดงว่าเธอก็สนใจทำบุญมาตลอดฟังเทศฟังธรรมมาตล อ, ด, อดภาวนามาถึงไปบวชได้ถ้าภาวนาไม่ได้ไม่บวชไม่ได้หรอกบวชก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ามันมันยาก การอยู่เป็นพระนี้เป็นการตัดกิเลสตัดการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายที่เป็นเหมือนลมหายใจของคารวะญาณโยมคารวะญาณโยมนี้ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสมาคอยให้ความสุขอยู่เวลาเป็นบวตนี้ถูกบังคับให้ตัดแ้วทางไม่สามารถภาวนาก็จะไม่มีความสุขก็จะทนอยู่ไม่ได้ แต่ถ้าภาวนาได้ทำใจให้สงบได้ก็จะอยู่กับอยู่เป็นพระได้อยู่เป็นนัก บ, บวชได้นี่เทีนบวชมาสองันามแล้วไหมสองวสามบันาแล้วสองสามษันสามวันา แ, แ, แ, แล้วตอนตอนที่งานหลวงตาก็มีกองทุนท่านก็ทำกองทุนรักษาครูบาอาจารย์ไ ว, ไว้กองนึงอยู่แล้วค่ะ ถ้าครูบาอาจารย์มีการรักษานีอาพาธเกิดขึ้นก็ใช้กองทุนนี้ได้ใช่ค่ะท่านก็ทำใบอยูนะคะถ้าเกว่า ท, ทางทางสายกรรมฐานนี่มีรที่โรงพยาบาลขอนแก่นใช่ไหมที่เป็นตึกสง่าภาพเนี่ยมีใช่เจ้าค่ะแล้วก็ดอนที่หลวงตาข้างออก็มีเจ้าคะ<ม>่ะเด็กพอดีเจ้าคะ<ม>่ะอืแล้วก็หลวงพ่ออินทวายก็เอ พาลูกศิษย์ลูกหาสร้างที่จอดรถเพิ่มเติมก็มในส่วนของความสะดวกที่วันดอนเนี่ยต้องให้บาลวันดอนก็ดีคนเราทุกคนก็ต้องเจ็บไายได้ป่วยไม่ว่าพระวายุ่มในเวลาก็ต้องแก่ในเวลาก็ต้องเจ็บในเวลาก็ต้องตายเหมือนกันก็ต้องดูแลรักษาไปร่างกายถ้ายัางรักษาได้ก็รักษาไปเพราะสําหรับพระท่านก็เอามาใช้ประโยชน์ได้ หลวงปู่หลวงตาถ้าท่านอยู่ไปนานๆท่านก็เป็นที่พึ่งทางใจให้กับญาติโยมเวลาท่านเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องดูแลรักษาพยาบาลกันไปตามตามอัตภาพรักษาได้ก็รักษารักษาไม่ได้ก็ปล่อยมันไปหลปู่จันศรีก็เพิ่งประชุมเพลินเส็จไม่นาอ่าเพิ่งเสียไปนะท่านครูอาจารย์ได้ไปอุดรบ้างไหมไม่เคยไปเลยเคยเยตั้งแต่ออกมานี่ไม่เคยกลับไปเลย ตั้งมาออกจากบ้านตาลมาปีสองหกสองหกสามสิบสี่ปีเลยนะเกียดไม่อยากไปไหนเบื่อนั่งรถนั่งเครื่องบินนั่งอะไรมีมีครูบาอาจารย์วัดวัดญาณสั ง, งวรก็ไปจําเป็นรักษาการแทนหลวงปูจ่จันทรีเจ้ค่ะออจากวัดโบนั่งมจากวัดโบนั่อ อาวาัดบวานเขาเป็นเหมือนกับดูแลภาคนั่นอยู่เจ้าอาวาสวัดโวานเขาเป็นเจ้าคณะภาคอะไรอันนี้เป็นการปกซองปกครองของสงฆ์ทางของทางทางโลกแต่ของทางธรรมนี่เราปกครองกันตามครูบาอาจารย์ก็ก็ก็มีอยู่จ้ะคะก็มีเกศก็เคยได้กลับเรียนมีโอกาสได้ได้ได้ พูดกับลูกสิที่ที่วัดยาณสองวรเจจ้าค่ะว่าได้ได้บอกว่าความไม่คุ้นเคยของครูบาอาจารย์ที่อยู่มาก่อนกับที่ไปจำประจําการใหม่ลูกบอกว่าคุณอุดรก็ใช้คําว่าความไม่คุ้นเคยดีกว่าเนาะค่ะคือถ้าเกิด ก็งามกำหนดแต่ว so, ่าความไม่ค <towers> okay. so anyway, ุ้นเคยกับความคุ he ้นเคยเนี่ยเจ้าค yeah, so <ias> no like mm ่ะ hmm. ก uh, right, so ็ประมาณนี้เจ้าค่ะการศึกเรียนอยูเจ้าค่ะความสัจจะขอกไม่เหมือนกันค่ะก็เลยอาจจะมีมีมีตั้งคำถามบ้างแต่ก็ได้ได้ได้ใช้คำพูดนี้ถวายรายงานเป็นแบบนี้เจ้าค่ะ ก็จะเป็นวัดหลวงเนี่ยวัดที่วัดใหลวงยอดก็ส่งไปก็ก็ได้บอกว่าความคุ้นเคยกับความไม่คุ้นเคยครูบาอาจถ้าเป็นวัดป่าเขาไม่เขาไม่ส่งไปหรอกเพราะว่าวัดป่าเขาจะมีมีผู้ดูแลกันอยู่ค่ะตามลําดับอาวุโสพรรษาอเช่นวัดป่ามันตาก็ให้ท่านสุดใจดูแลไปจ้ค่ะท่านอินทวายจะไปช่วยดูแลสนับสนุนเจ้าค่ะ ความแข็งแรงด้วยหลวงพ่อสุดใจก็ธาตุขันก็ก็มีมีได้รัษาธาตุขันอยู่เจ้าค่ะได้เข้าโรงพยาบาลปีที่แล้วก็สองรอบประมาณรอบสองรอบเจ้าค่ะก็ปีนี้ยังไม่ได้น่าจะเข้าอยู่ไม่แน่ใจสักครั้งหนึ่งเจ้าค่ะประมาณประมาณก็ได้ดูแลธาตุขันกันอยู่เจ้าค่ะใช่ท่านก็อายุมากเจ็ดสิบกว่าเจ้าค่ะเจ็ดสิบกว่าตอนที่หลวงตาอยู่ท่านก็รับใช้หลวงตา ทำงานหนักหนังสือธรรมะของหลวงตาทั้งหมดนี้ท่านสุดใจเป็นคนถอดะเออถอดมาจากเทปที่หลวงตาเทศไวแล้วอัดไว้ท่านสุดใจก็ถอดมาถอดมาแล้วก็ส่งไปหลวงตาตรวจช่วงที่ท่านยังตรวจได้ก็ส่งให้ท่านตรวจแล้วก็เอาไปพิมพ์เป็นหนังสือต่างๆออกมาท่านก็ทํางานหนัก ร่างกายก็เลยต้องเป็นโรคภัยขึ้นมาอา จ, จะพักผ่อนไม่พอเอากําลังกายไม่พอมีอะไรอยากจะถามไหมครูบาอาจารย์ก็เทศสอนอหมดแล้วเจ้าค่ะที่ให้ไปปฏิบัติเจ้าค่ะคือต้องทําต้อ ง, องปฏิบัติแล้วอรู้แล้วว่าต้องทําอะไรเจ้าค่ ะ, อ, ะอยู่ที่ต้องเอาไปปฏิบัติให้ได้ไม่ต้องบังคับตัวเอง ไปเข้าแปดวันนี้บ่อยๆเลยมันมาหนักมากก็้วคอยู่ไม่ได้เป็นเงินรถที่มันสตาร์ทเองไม่ได้ต้องให้คนคอยเข็นก่อนต้องพยายามเข็นไปเรื่อยๆต่อไปมันสตาร์ทเองได้ก็ไม่ต้องให้คน<ม>เข็นไม่ร้ายจะถามเลยมีการอยากจนะากถามอะไรไหมถ้าไม่มีดอนนี้เดี๋ยวจะให้พรก่อนนะ เผคาอยากจะไปไหนต่อก er ja, ah <it> it ็ไปได้ยะถาวาริวาหาปุราริรุปเรนติสากการังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปติตังตุมหามคิดเะเมวะสมิชฉะตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะราโสยะามะนิชติอาราโสยะาสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพโรโววินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีตีขายุโกภวะอภิวาทนาสิลิศะนิจังวุทาปัจายิโน จตารุตมะวัทานติอายุวะโนสุขังพาลามีคำถามเข้ามาไหมมีค่ะเป็นภาษาเกหรือภาษาไทยภาษาไทยค่ะถามมาได้เลยไม่รู้จะพูดอะไรละ่ะก็ต้องรอให้คำถามจะได้มีเรื่องพูด กับนรรศการครับผมกลับตัวเข้าหาพระธรรมนั่งสมาธิรักษาศีลมันพาครอบครัวทาบุญมาตลอดสิบกว่าปีแต่ผลครอบครัวแรกต้องแยกทางกันตอนลูกสองขวดมามาคิดมีครอบครัวอีกครั้งมีลูกคนแรกเสียชีวิตตอนสองขวดปีต่อมาพ่อก็เสียเมื่อบวชพระยอมไปอยู่วัดช่วยงานพระอาจารย์ครึ่งปีกลับมาลูกคนปัจจุบันสามขวดแฟนก็หนีอีก ทำไมเรื่องต้องมาเกิดแต่กับผมครับวันนี้ผมรอแฟนกลับมาผมก็มีบุญที่จะปฏิบัติต่อครับมีกำลังใจขออย่าให้ต้องแยกกันเลยครับเพราะถ้าไม่มีครอบครัวการปฏิบัติอาจไม่ได้ช่วยผมเลยที่ผ่านมานี่คือความคิดผมขนะนี้ครับครอบครัวขาดไปสักคนลำบากมากครับผมพยายามไม่คิดแต่ทำใจยากได้แต่เฝ้ารอการกลับมาพระอาจารย์โปรดเมตตาขึ้นชี้นาด้วยนะครับขอบคุณครับ ท่านจะชี้นำก็จะชี้บอกว่านี่แหละความทุกข์การมีครอบครัวนี่มันเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขความหลงมันหลอกให้เราคิดว่าการมีครอบครัวเป็นความสุขต้องมีครอบครัวมีคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราแต่เรามองไม่เห็นความจริงว่ามันมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาไม่ว่าจะมีอะไรไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการพัดพากจากกาัน คนมีคนได้พบกับการพัดพลากจากกันมาเยอะแยะไปหมดแทนที่คุณจะเข็ดแทนที่คุณจะเห็นโทษคุณกลับไม่เห็นคุณยังอยากจะมีครอบครัวยังอยากจะให้ไม่มีการพัดพลากจากกันถ้าคุณยังเห็นอย่างนี้อยู่คุณก็ยังต้องทุกข์อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณเห็นแบบพระพุทธเจ้าเห็นว่าเห็นว่าคนเราอยู่ด้วยกนแ้วเดี๋ยวไม่ช้าก็าเร็วก็ต้องจากกันเพราะต้องมีการแกร่มีการเจ็บมีการตาย มีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาก็ไปบวชเลยไม่ต้องมีครอบครัวจะสบายกว่าพอันมีก็เดี๋ยวก็ต้องจากกันอยู่ดีมีเป็นทำไมก็ไปอยู่คนเดียวเลยก็ให้มันจากกันแเฉพาะตั้งแต่บัดนี้เลยไม่ดีกว่าถ้าจากกันด้วยความตั้งใจยินดีจากมันไม่เสียใจแต่ถ้ามันจากกันเพราะมันไม่ยินดีมันไม่ตั้งใจจะให้จากกันนี่มันถึงมันมันจะเสียใจมันจะทุกข์มาก แล้วคุณจะทุกข์อย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะคุณยังมีความอยากมีครอบครัวอยู่แล้วมีครอบครัวแล้วก็จะอยากไม่ให้มีการพลาดภาคจากกันแล้วพอมีการพลาดภาคจากกันคุณก็จะเสียใจอย่างนี้ไปแล้วคุณก็ไม่เข็ดแล้วคุณก็ไปหาครอบครัวใหม่นี่มีมากี่ครอบครัวเนี่ยที่เรามาสองครอบครัวเนี่ยคนไปแล้วนี่เดี๋ยวก็หาใหม่อีกเดี๋ยวคนนี้ไปแล้วเดี๋ยวก็เจอคนใหม่ก็อยู่กันอีกเนี่ยมันเด็กก็จากกันอีก เพราะฉะนั้นถ้าถ้าคุณยังต้องการมีครอบครัวอยู่คุณก็ยังจะต้องเจอการพัดภาคจากกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าอยากที่จะไม่ต้องมีการพัดภาคจากกาันก็อย่าไปมีครอบครัวไปบวชไปอยู่คนเดียวแล้วก็จะไม่มีการพัดภาคจากกันกับใครอีกต่อไปแล้วถ้าไม่กลับมาเกิดก็ไม่มีการพัดภาคจากกาันจากร่างกายนี้ด้วย การอันนี้ก็จะเป็นการจากกันเป็นขั้งสุดท้ายหลังจากนั้นแล้วถ้าไม่มีอะไรให้จากมันก็จะไม่มีการจากกันถ้ามีอะไรมันก็ต้องจากกันนี่คือข้อคิดที่ควรเอาไปคิดคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะขอกราบเรียนถามเกี่ยวกับอนาปนาสติค่ะพอจะรู้เรื่องเบื้องต้นมาบ้างแต่เคยไปสมัครปฏิบัติแห่งหนึ่งสอนให้บริกรรมนมมัทะ ไม่ได้ให้รู้ลมหายใจที่กระทบโพงจมูกเลยแล้วก็มีคนคอยพูดว่ า, าไปเห็นสวรรค์พระจุลามณีพูดคุยกับสมเด็จองคฐมซึ่งก็รู้ว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ผิดแน่นอนแต่เข้ามาแล้วก็ทนปฏิบัติไปเรื่อยๆจนผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ปรากฏว่าเหมือนมีหมอกวันชัดเจนมากและปัจจุบันเวลาจเจริญอน า, นาปานาสติก็มีหมอกวันแต่ไม่ชัดเจนเหมือนครั้งแรกจะเป็นภาพรวมตาหรือเปล่าคะ ก็มันก็เป็นภาพที่จิตบางทีก็ผลิตขึ้นมาเวลานั่งสมาธินี่มันจะมีอะไรหลายอย่างปรากฏให้เรารับรู้ได้แต่เราไม่ต้องการที่จะรับรู้เรื่องราวเหล่านี้เล่านั่งสมาธิเพื่อทาใจให้สงบให้ว่างถ้าเป็นท้องฟ้าก็ไม่ให้มีเมฆเลยให้เป็นท้องฟ้าใสใสแต่เวลานั่งใหม่ๆมันอาจจะมีเมฆมีหมอกมีอะไร เราก็อย่าไปสนใจมันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของจิตนะแต่ถ้าเรากำหนดอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆพอจิตสงบนิ่งแล้วมันจะว่างเองทุกอย่างจะหายไปหมดเราจะเกิดความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิคือต้องการให้จิตสงบให้ว่างให้สักตะวะรู้ให้เป็นอุบเบกขา ให้มีความสุขอย่างยิ่งถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็ให้พยายามภาวนาต่อไปเพ่งไปเรื่อยๆถ้าดูรวมก็ดูไปเรื่อยๆจะใช้นามาพัฒน์ก็ได้มันก็เป็นคำบริกรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันท่านเองแต่ถ้าจะไปนั่งแล้วไปกำหนดว่าเห็นสวรรค์ น, นั้นเห็นเทพยอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการนั่งสมาธิละเป็นเรื่องของของการดุนเดาไปมากกว่า ของการฟุ้งซ่านของการปรุงแต่งไปซึ่งมันไม่ใช่เป็นทางของการนั่งเพื่อให้ใจสงบนะถ้านั่งให้ใจสงบนี้ต้องไม่ไปปรุงแต่งไม่ไปไปว่าเป็นนู่นเป็นนี่เห็นอะไรก็ให้รู้เฉยๆให้เห็นสักแต่ว่าเห็นแล้วก็ภาวนาวต่อไปจัการจิตนิ่งสงบแล้วทุกอย่างมันจะหายไป ท้องเหมือนท้องฟ้ามันจะใสไม่มีเมฆไม่มีหมอกไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีดวงอะไรทั้งนั้นวา่างนั่นแหะคือสมาธิคือความสงบค่ะอาจารย์จคะคืออ่านฉันอยากสอบถามว่าเอ่อคนที่เขาผูกคอตายอะค่ะแล้วมันยังไม่ถึงอายุขัยของเขาค่ะ แล้วเขายังจะวนเวียนผูกคอของเขาอยู่แบบนั้นตลอดเวลาไหมคะก็มันจะเป็นนิสัยติดตัวไปไงคราวหน้ามาเกิดใหม่พอเจอปัญหาแก้ไม่ได้ก็ผูกคอตายไปเพราะเขาไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหาที่ถูกเขาก็แก้ปัญหาตามที่เขาคิดว่าถูกเขาคิดว่าฆ่าตัวตายแล้วความทุกข์ก็จะหมดไปแต่มันก็หมดไปชั่วคราวเดี๋ยวกลับมาเกิดใหม่เดี๋ยวมาเจอปัญหาก็เกิดความทุกข์ใหม่ ก็จะฆ่าตัวตายใหม่อย่างนี้ท่านถึงบอกว่าฆ่าตัวตายแล้วจะต้องกลับมาฆ่าตัวตายอีกห้าร้อยชาติเนี่ยเพราะว่ามันจะติดเป็นนิสัยจนกว่าจะไปเจอคนที่สอนบอกว่าอดทนเอามาใช้ปัญญาพิจารณาว่าเราทุกข์ใจเพราะอะไรแล้วต้นเหตุของความทุกข์ใจอยู่ตรงไหนแก้มันตรงนั้นถ้าเจอพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากของเราเอง อยากได้นู่นอยากได้นี่พอไม่ได้ก็เสียใจก็อยากจะฆ่าตัวตายท่านั้นเองถ้าเปลี่ยนใจแล้วไม่อยากไม่เอาก็ได้วะไม่อยากได้มันก็จะไม่มันก็จะไม่เสียใจไม่ทุกข์ใจแล้วเราจะทำบุญยังไงเพื่อเขาได้ก็เบอรนี่ทาบุญใส่บาตรนี่ถวายสังฆทานนี่ทบุญใส่ซองใส่ตู้บริจาคนี้ก็บูทิศได้เหมือนกันทําบุญทําทานนี่อุทิดได้ ส่วนเขาจะได้หรือไม่ได้เขาไม่รู้เพราะบางทีเขาอาจจะไปอยู่ในนรกก็ได้เพราะตอนที่ข่าตัวตายนี้จิตมันจะมันจะร้อนเป็นเหมือนไฟนรกนะมันจะไม่ได้รับบุญที่เราส่งไปหรอพผู้ข่าตัวตายนี้เขาไม่ได้เป็นเปรต เ, เขาจะไปตกนรกส่วนใหญ่แต่ก็ส่งไปได้เผื่อเขารอรับอยู่อาจารย์รับก็ ฟังท่านอยู่กับทุกวันก็เลยว่าวันนี้พอดีมาธุระก็เลยมากลับท่านได้ได้เดก็จะ ถ, ถามว่าจริงๆโรคโกรธหลงถ้าเราทำแก้ทานสีภาวนาโรคโกรธหลงก็จะค่อยๆลดลงใช่เอออีกที่ติดก็คืออหลงหลงก็ต้องภาวนาเจริญวิปัสสนาถึงจะหายหลง ความหลงคือความเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราเนี่ยนี่คือความหลงรเราก็ต้องมาดูให้มันเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เที่ยงเช่นร่างกายนี้เรามักจะเห็นว่ามันเที่ยงใช่ไหมเราจะคิดว่ามันต้องอยู่ไปนานๆแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมบางคนเข้าใจคําว่ารักกับโกืธเข้าใจคําว่า เข้าใจผิดหรือว่าหลงจริงๆนั่นแหละก็หลงไงเพราะว่าหลงคิดว่าเขาดีเขาให้ความสุขกับเราความจริงแล้วเขาจะให้ความทุกข์กับเราก็เรียกว่าหลงเห็นผิดเป็นชอบไงเห็นตรงกันข้ามกับความเป็นจริงเห็นสิ่งที่ไม่ดีว่าดีเนี่ยก็เรียกว่าหลงใช่ไหมพวกคนที่ติดยาเสพติดนี่ก็เรียกว่าหลงนักยาเสพติดเพราะคิดว่ายาเสพยาแล้วมีความสุข เวลาไม่สบายใจก็ไปเสพยาพอเสพยาความไม่สบายใจก็หายไปชั่วคราวแต่เดี๋ยวมันพร้อมฤดยาหมดก็อยากจะเสพขึ้นมาอีกแล้วถ้าไม่สามารถเสพได้ทีนี้มันจะทุกข์มากกว่าตอนต้นเลยทุกข์กว่าตอนต้นที่ไม่ได้เสพเลย น, นะมันหลงมันไม่ได้ใช้ปัญญาต้องสติกลับมาต้องใช้ปัญญาพิจารณาวิเคราะห์เรียกว่าวิเคราะห์วิเคราะห์ว่าการกระทำนี้ จริงๆเราจะเกิดผลอะไรตามมาสุขหรือทุกข์กันแน่ีนีเรียกว่าปัญญาทีนี้ทานศีลสติสมาธิปัญญานี่มันต้องค่อยๆเกียวบขั้นอยู่ไหมครับมันก็มันก็เป็นทานที่สนับสนุนกันเป็นขั้นบันไดแต่ในระดับแร ก, แรกๆนี้ก็สามารถทำควบคู่กันไปได้เช่นเราทำทานไปเราก็รักษาศีลไปก็ได้แล้วเรามีเวลาว่างเราก็นั่งสมาธิไปก็ได้ ทำได้พร้อมๆกันตามเพราะมันแต่เวลาทํามันคนมันไม่ได้ทําพร้อมกันในเวลาเดียวกันเช่นตอนเช้าเราใส่บาตเนี่ยเราก็ทําทานแล้วเรารักษาศีลห้าตลอดทั้งวันเราก็มีศีลละเรามีเวลาว่างเมื่อไหร่เราก็นั่งสมาธิเวลามีว่างเวลาเราฟังเทศเราก็ได้ปัญญาเนี่ยมันก็สามารถปฏิบัติควบคู่กันไปได้ในตอนต้นเพราะเรายังทําไม่มาก แต่ถ้าต้องถ้าเราต้องการทำมากๆแล้วต่อไปมันจะมันจะขึ้นไปที่สมาธิที่ปัญญาเป็นเป็นเป็นเป็นงานเป็นเป็นส่วนใหญ่คือทางนี่เราสามารถทำแล้วก็ทำทีเดียวให้มันหมดปัญหาไปเลยการทําทานก็คือการไม่ให้มีเท่าของเงินทองมาพลุพลังมาให้เราต้องกังวลมีมีไหมครับที่กลับกันเริ่มตั้งแต่โพนาแล้วก็มีปัญญาแล้วก็ค่อยๆไล่กลับ อ, อมันบางคนมีปัญญาปั๊บมันก็สามารถทําทุกฐานสินอย่างอื่นได้ ท, ทันทีเช่นรู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงนั้นมีเงินทองกี่ล้านก็ยกให้คนอื่นไปเลยเพราะรู้ว่าไม่เที่ยงตายไปก็ไปไม่ได้เนั้นมีปัญญาแล้วก็เลยแทนที่จะทําทีร้อยสองร้อยก็ทําทันทีไอเงินส่วนไหนที่เราไม่ต้องมีไว้ต้องเก็บไว้ก็ทําบุญไปเลยะบร้จากไปเลย อันนี้ก็ปัญญานี้มันมาจากปัญญาการที่เห็นว่าชีวิตเราไม่เที่ยงตายไปเราก็เอาเงินทองเหล่านี้ไปไม่ได้อยู่เราก็ไม่ได้ใช้มันมจะเก็บมันไว้ทำไมเก็บไว้ก็ต้องมากังวลมาคอยเฝ้ามาดูแลแล้วไม่ไม้เกิดประโยชน์อะไรก็เอาไปบริจาคให้โรงพยาบาลให้อะไรที่เขาอย่างตอนนี้ที่เขาวิ่งเนี่ยก็บริจาคให้คนที่วิ่งไปเลยก็ได้เขาจะได้ไปสร้างโรงพยาบาลหรืออะไรทำนองนี้ไป อันนี้ก็อันนี้ก็เกิดจากมีมีปัญญาพอมีปัญญาก็จะทำให้เรามาทำบุญทำทานได้ครับทีนี้เห็นมีมางคนบอกว่าบางทีบางคนนั่งสมาธิภาวนาได้เร็วบางคนช้าอันนี้เป็นบุลกรรมกับปุบกรรมรก็เป็นเคยทำมามากน้อยต่างกันไงจิตเรานี่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตเราตายไปก็เหมือนกับเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเปลี่ยนร่างกายใหม่แต่ แต่ความถนัดสิ่งที่เราเคยทํามานี่มันติดไปกับใจเราถ้าเราเคยนั่งสมาธิแล้วเราก็จะนั่งได้เลยต่อไปเวลาไปไปได้ร่างกายอันใหม่คนที่ก็นั่งสมาธิได้เลยเพราะชาติก่อนเขาเคยนั่งสมาธิมาแล้วเหมือนเด็กที่ย้ายเหมือนเวลาเราย้ายโรงเรียนเวลาพ่อแม่ย้ายโรงเรียนเราเคยเรียนอยู่ป .6 พอเราย้ายไปอีกที่หนึ่งเราก็เข้าป .7 ได้เลยไม่ต้องไปเริ่มต้นป .1 ใหม่ นึกว่าเป็นการเป็นการโทษบุญบุญกรรมกันก็บุญกรรมเนี่ยบุญก็คือการกระทําที่ดีแล้วก็เรียกว่าบุญไงเช่นการทําทานรักษาศีลการนั่งสมาธิเนี่ยเราก็เรียกว่าบุญบาปก็คือกรรมก็คือบาป ท, ที่เราทําชอบฆ่าสาัตว์าารักทรัพย์ชอบดื่มสุราชอบเล่นการพ น, นันเราก็เรียกว่าบาปพวกนี้มันก็ติดตัวไปกับเราคนที่ชอบเล่นการพนันพอมาเกิดมันก็จะมาเล่นการพนันต่อคนที่ชอบกินเหล้ามันก็จะมากินเหล้าต่อ คนที่ชอมนั่งสมาธิก็จะไม่นั่งสมาธิต่อมันไม่เปลี่ยนไงมันไม่หายไปจากใจมันติดไปกับใจเป็นนิสยัยฝังอยู่ในใจนิสัยดีก็เรียกว่าบุญนิสัยไม่ดีก็เรียกว่าบาปนึกกรรมทั้นนั้นเองนี่แหละบุญกับบาปก็คือนิสัยที่เราทามาเนี่ยนิสัยบางอย่างก็ไม่เป็นบุญเป็นบาปเช่นถนัดมือซ้ายถนัดมือขวานี่ก็ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาป คนเคยถนัดมือขวาชาติหน้าคุณก็ไปใช้มือขวาต่อแต่ถ้าเป็นรกำเก่าก็เปลี่ยนเปลี่ยนได้บ้างได้ถ้าคุณรู้ว่าไม่ดีคุณก็ฝืนมันรู้ว่ากินเหล้าไม่ดีอยากจะกินเหล้าก็อย่าไปกินมันเพราะฝืนมันบ่ยบอยๆความอยากกินเหล้ามันก็จะหายไปหยุดได้เลิกได้ถ้าไม่เคยทำบุญถ้ามาฟังเทศฟังธรรมแล้วพอทำบุญดีทำให้จิตใจมีความสุขก็บังคับให้มันทาได้ บางครั้มันทําบ่อยๆต่อไปมันก็เป็นนิสัยขึ้นมาเองเนี่ยเรามาเนี่มามาเพื่อจะมาเปลี่ยนนิสัยนิสัยไม่ดีคือกรรมต่างๆเลิกเสียพระพุทธเจ้าบอกให้ละการกระทําบาปทั้งปวงละนิสัยไม่ดีแล้วให้สร้างนิสัยที่ดีสร้างบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมเนี่ยมาเปลี่ยนนิสัยแล้วจิตใจเราจะมีความสุขมากขึ้นความทุกข์จะน้อยลงไป อาจารย์พูดถึงความทุกข์เนี่ยอริยสัจสีเนี่ยทุกข์นี่ฟังเคยฟังคลิปหนึ่งของอาจารย์ของอาจารย์อริยสัจสทุกข์เนี่ยสุขก็เป็นทุกข์ใช่ไหมครับสุขของทางโลกเนี่ยเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงสุขที่ได้จากภรรยาเนี่ยมันไม่เที่ยงเดี๋ยวภรรยาจากไปมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแต่สุขที่เที่ยงก็มีสุขที่เกิดจากการไม่มีความอยากเนี่ยสุขที่เกิดจากการดับความทุกข์ในใจที่เกิดจากความอยากนี่เที่ยง มันจะอยู่กับใจเราไปตลอดเนี่ยใจพระพุทเจ้ามีความสุขที่เที่ยงเรียกว่านิพพานเนี่ยบรมมัสุขเนี่ยนิพพานก็คือจิตที่ไม่มีความอยากน้องเหลืออยู่ในใจแล้วไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจก็เหลือแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวก็อันนี้ก็คือคนทั่วไปก็คิดว่าทุกข์ก็คือความทุกข์แม้ว่าสุขทางโลกเขาก็ยังไม่คิดว่าเป็นความทุกข์ใช่เขามองไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงไง เวลาร้อ ง, องห่มร้องไห้แสดงว่าเสียสิ่งที่รักไปแล้วใช่ไหมทุกแล้วใช่ไหมเวลาเสียคนรักไปนี่ร้องห่มร้องไห้กันใช่ไหมเพราะเสียความสุขไปแล้วความสุขที่ได้จากคนที่เรารักมันไม่มีแล้วีนี้ถ้ ส, สมุทัยเนี่ยก่อนที่เราจะรู้ว่าจะเกิดขึ้นความสุขที่มันไม่ที่งถ้าอธิบายตามนี้ก็คือสมุทัยก็คือต้องเข้าใจว่า มันไม่เที่ยงใช่ก่อนที่เราจะไปก่อนที่เราจะไปอยากได้อะไรเราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นความสุขปลอมความสุขที่ไม่เที่ยงแล้วเราจะได้ไม่อยากได้เช่นเราอยู่คนเดียวเราอยากจะไปมีแฟนถ้าเราเห็นว่าต่อไปมีแฟนแล้ว เ, เดี๋ยวก็ต้องจากกันก็อย่าไปมีมันดีกว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวสุขตอนที่แฟนอยู่ด้วยกันพอไหนแฟนจากเราไปความสุขนั้นก็หมดไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ ถ้าเรามีสมไทยเราก็ไม่มีนิโรธละมันดับไปแล้วก็เราหยุดถ้าเราหยุดสมุทัยได้ก็ไม่มีก็ไม่มีทุกข์ก็เกิดนิโรธขึ้นมาจะเกิดนิโรธได้ก็ต้องมีปัญญาไม่หลงคิดว่ามันเป็นความสุขต้องรู้ว่าเป็นความสุขปลอมไม่ใช่เป็นความสุขแท้ความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปมันจะได้หยุดสมุทัยได้หยุดความอยากได้ พอหยุดความอยากทุกข์ก็ดับนิโรธก็ปรากฏขึ้นมานิโรธก็คือความดับทุกข์นะทีนี้ถ้าเราจเจริญมรรคเราก็จะไม่เจอทุกข์กับสมุทยัยก็จะเข้าใจใช่พอเจอสมุทยัยเราก็จะหยุดมันได้ถ้าเรามีมรรคถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราก็จะไม่อยากได้เพราะไม่มีความอยากใจก็จะไม่ทุกข์ทีนี้ฝังหลังนี่ผมปฏิบัติ ด, ด้วยรู้สึกว่า ต้องใช้หลายๆอย่างประสบกันบางครั้งเราก็นั่งดูลมบางครั้งเราก็พุดโธบางครั้งเราก็ เ, เดินจงกรมออกสลับกันไปสลับกันมาที่ถือว่าดีหรือไม่ดีก็จําเป็นเพราะร่างกายมันจะนั่งเฉยๆอย่างเดียวไม่ได้มันเมื่อยก็น้องลุกมาเดินแต่สิ่งที่ถ้าไม่สลับก็คือสติต้องมีสติตลอดเวลานั่งก็มีสติเดินก็มีส ต, สติควบคุมความคิดควบคุมความอยากหรือใช้ปัญญาสอนใจ แต่ร่างกายมันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันนั่งอย่างเดียวไม่ได้เดินอย่างเดียวไม่ได้แต่การปฏิบัติทางใจเราสลับกันระหว่างสติสมาธิปัญญาถ้าสติอ่อนก็กัดมาจเจริญสติถ้าสมาธิอ่อนก็มาเจริญสมาธิถ้าปัญญาอ่อนก็ไปจเจริญปัญญาพีพักหลังเนี่ยผมก็เลยไปใช้วิธีกายกตาสติโดยการว่ายนะ้ อว่ายน้ําก็ได้ก็ดูการไหวไปสิไหวก็เฝ้าดูมันร่างกายไหวไปสติก็ใจก็ดูดูการไหวไปอย่าไปอย่าไปอยู่ที่อื่นอย่าไปคิดเรื่องอื่นเพราะไหวนะน้ํานี่ไปยังพุโทโธได้ได้พุโทโธก็ได้อืมสวดมนต์ก็ได้ไหวไปสวดมนต์ไปแล้วไหวไ ป, ไวไปแล้วก็ดูดูดูขวาดูแขนแลว้วไหวก็ได้ก็ดขาดูแขนไปนก็ได้ไ คืออย่าให้ไปคิดอะไรไงการการมีสติก็คือการควบคุมความคิดนี่ให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับร่างกายก็ได้ถึงแม้ก า, ารนอนเราไม่ได้คิดแต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการทำสมาธิไม่เพราะนอนแล้วสติมันจะหายไปไงเวลานอนนี่สติจะไม่มีเอนจะไม่มีสมาธิจิตจะหลับจิตจะหลับมไม่มีสติก็หลับเหมือนคนเมา ไม่มีสติไม่รู้เรื่องอันนี้ไม่ใช่สมาธิเรียกเป็นการหลับถ้ามีสมาธิจะมีสติตลอดเวลาจะรู้ตลอดเวลารู้ว่าตอนนี้จิตหยุดคิดหรือไม่หยุดคิดรู้ว่าจิตสุสขหรือไม่สุขจิตสงบหรือไม่สงบมันจะรู้ถ้ามีสติอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าสมาธิหายสงสัยแล้วไหม ก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆแล้วปฏิบัติไปเรื่อย ๆ, อๆเพราะศึกษาอย่างเดียวมันจะไม่เข้าใจแต่ถ้าศึกษาแล้วปฏิบัติสิ่งที่เราศึกษามันจะเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นอ๋อ น, oh, นี่สติเป็นอย่างนี้สมาธิเป็นอย่างนี้ปัญญาเป็นอย่างนี้ทําหน้าที่อย่างนี้มันจะรู้แ ต, แต่ถ้านั่งนี่มันมานั่งวิเคราะห์นี่เดี๋ยวเด๋ยวก็ลืมอ่ะเหมือนคนที่วิเคราะห์มวยเนี่ยแต่เวลาไปขึ้นเวทีต่อยมวยไม่เป็นหรอกวิเคราะห์เก่ง ใชปฏิบัติที่ต้องสมบูรสมบก็ <S <S ต้องต่อเนื่องอ่ะมันถึ ง, งมันจะได้ไม่ไม่ไม่ขาดตอนเนี<ร>่ยอาจารย์บอกให้ปฏิบัติแบบเต่าดีกว่าปฏิบัติแบบกระต่ายถ้าเราแบ่งเวลาว่าเป็นวันละสี่เวลานี่จะดีไหมครับดีให้มันให้ได้ทั้งวันทั้งคืนเลยให้มันปฏิบัติอย่างเดียวเลยยิ่ยงดีใหญ่แทนที่จะมาปฏิบัติครั้งนึงก่อนนอนหรือตอนตื่นเช้าอา่ให้มันเยอะๆเลยเอามันทั้งวันเลยทั้งคืนเลย ถ้าปฏิบัตินี่เขาเอาทั้งวันทั้งคืนเลยก็ไม่มีเวลาไม่ปฏิบัติก็ถึงบนรลุธรรมได้เร็วไงแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ควรกําหนดว่าสิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาทีก็ได้แล้วแต่เราเราจะเอาเตาที่เราได้ก็ได้ไม่ต้องไปกําหนดมันเหมือนดําน้นํานี่ยดำน้ําได้กี่นาทีก็ดำํำจนกว่ามันทนไม่ไหวมันก็ต้องโผล่ขึ้นมาเองไม่ต้องไปกําหนดทั้งให้มันเสียเวลา เอามันให้เต็มที่เลยนั่งได้เท่าไหร่ก็นั่งมันไปนั่งไปจนกว่ามันจะทนนั่งไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็มาเดินเดินจนกว่ามันเดินไม่ไหวก็กลับมานั่งใหม่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวกําลังมันจะมากขึ้นถ้าสติดีต่อไปนั่งได้นานขึ้นเดินได้นานขึ้นเพราะมันจะไม่เมื่อยมันไม่เจ็บมันจะไม่รู้สึกมันมันรู้สึกแต่มันจะไม่ไม่ไม่รู้สึก อ, อ, อะไรกับความเมื่อยหรือความ ความเจ็บมันจะเฉยได้มันจะทนได้ดงนั้นยิ่งปฏิติมากเท่าไหร่ผลก็จะมากขึ้นเท่านั้นเนแต่มันเรื่องของเหตุผลผลจะเกิดจากการปฏิบัติแล้วต้องปฏิบัติถูกด้วยนะไม่ใช่ปฏิบัติเยอะแต่ปฏิบัติไม่ถูกก็ไม่มีผลจะเดินจงกรมแล้วก็ไปคิดถึงเงินทองคิดถึงงานการคิดถึงคนนั่นคนนี้เดินไปทั้งสิบชั่วโมงมันก็ไม่ได้ผลอะไร เหมือนกับไปเดินช้อปปิ้งเนี่ยเดินไปช้อปปิ้งไอ้นั่นก็สวยนี่ก็สวยอยากได้ไอ้นั่นอยากได้ไอ้นี่อันนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติไม่เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องการปฏิบัติที่ถูกต้องต้องเดินไปแล้วก็ดูแต่ ท, ที่ที่การเดินของเราไม่สนใจกับสิ่งที่เราเห็นเห็นแล้วก็ไม่ไปคิดอะไรกับมันทีนี้ถ้าปฏิบัติโดยการที่เราพยายามจะให้มีสบปลึกโดยการที่เราเข้าใจ แล้วเราก็สอนคนอื่นปฏิบัติอย่าเพิ่งไปสอนเลยสอนตัวเราให้ได้ก่อนเสอนตัวเราให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปสอนคนอื่นถ้ายังสอนตัวเองไม่ได้ไปสอนคนอื่นเดี๋ยวก็สอนผิดผิดถูกถูกอีกเหมือนอาจารย์เนี่ยคนที่เรียนศึกษาต้องจบปริญญาตรีก่อนแล้วถึงค่อยไปสมัครสอนเป็นครูได้หรือคนที่เรียนหมอนี่ยต้องเรียนจบหมอก่อนต้องมีประสบะการณ์ผ่าตัดได้ก่อนแล้วค่อยไปสอนนักศึกษาแพทย์ใหม่ ไม่ใช่ตัวเองยังศึกษาอยู่แล้วก็ไปเป็นอาจารย์พร้อมๆกันไม่ได้หรอกพระอาจารย์เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเด็ก Gen Y เนี่ยโลกดิจิตลัลการเรียนรู้การปฏิบัติธรรมนี้จะเปลี่ยนแปลงไหมครับไม่เปลี่ยนนะจิตเหมือนกันกิเลสเหมือนกันธรรมะก็เหมือนกันเปลี่ยนแปลงตรงที่พฤติกรรมหรือเวลาเท่านั้นเองสมัยนี้มันไม่มีเวลาให้เด็กมาปฏิบัติธรรมกัน พอสังคมสิ่งแวดล้อมมันเดึงให้ไปทางโลกกันไปทางกิเลสกันมันเลยเข้าหาธรรมยากกว่าสมัยโบราณสมัยโบราณมันไม่มีของรอใจเหมือนสมัยนี้แต่สมัยโบราณคนไทยเรานี่ส่วนใหญ่จะบวชกันทุกคนผู้ชายบวชได้ยังน้อยก็หนึ่งพันษาสมัยนี้หายากดีไมด่ดีบวชเดี๋ยวนี้บวชได้แค่สิบห้าวันเจ็ดวัน เราไม่มีเวลารางงานไม่ได้สมัยก่อนทำงานแบบทำไล่ไถนามันหยุดได้สามเดือนนีไม่เป็นไรคนอื่นทำแทนได้ยสงคมมันเปลี่ยนไปสังคมมันดึงใจให้เข้าหาหาความวุ่นวายมากขึ้น<ะ>จิตของเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมาถ้าชาติที่แล้วเขาปฏิบัติ ยังไงก็ตามที่ป้าจางบอกว่าถึงแม้มาชาตินี้เขาก็ปฏิบัติธรรมไม่ว่าโลกจะเป็นอะไรใช่แต่มันมันบางทีมันก็ต้องรอจังหวะถ้าไปอยู่ในที่เขาไม่ปฏิบัติธรรมมันก็ไม่มีใครมาจุดประกายให้เกิดการปฏิบัติขึ้นมา<ำ>ต้องอยู่สิ่งแวดล้อมด้วยถึงแม้เราจะมีของเดิมอยู่แต่ถ้าสิ่งแวดล้อมมันไม่มากระตุ้นให้เกิดให้ของเดิมมันโผล่ขึ้นมามันก็ไม่โผล่ พามันจะสุกสิ่งวัตล้อมกดเอาไว้สิ่งวัตลอบจะดึงให้ไปทางกิเลสนี่มันก็จะทางธรรมมันก็จะไม่โผนอกจากว่ามีธรรมมากจริงๆแล้วกิเลสดึงไม่ได้ซึ่งมีน้อยมากคนอย่างนี้อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีธรรมมากแม้จะอยู่ในราชวางังก็ยังทิ้งราชวังได้อันนี้แหละท่านมีธรรมมากติดมากับใจของท่าน แต่ล้วคนไม่มีธรามนีจะออกจากวางได้ป่ไม่ออกไปทำไมให้โง่อยู่ในวางสบายไปเป็นขอทานทำไมครับทีบบบบ่นี้เจริญมรรค8ดข้อที่ว่าสัมมาสัมมาอาอาชีวะสำหรับคนทำธุรกิจเนี่ยเราจะทำธุรกิจแบบสัมมาอาชีวะขณะเดียวกันก็จเจริญมรรคแปดด้วยก็ทำได้แต่ก็อาจจะทำยาก หรือถ้าอยากจะทําบางทีก็อาจจะต้องไม่ทําธุรกิจเลยเท่านั้นเพราะธุรกิจเดี๋ยวนี้มันเกี่ยวโยงกันไปหมดเงินที่ฝากธนาคารก็อาจจะให้บริษัทลงค่าสัตว์กู้ไปทําลงค่าสัตว์ก็ได้มันก็เกี่ยวโยงกันความหมายของสมาชีวตในในมัคในมัคแปดที่แท้จริงคืออะไรก็คืออย่าไปทําอาชีพที่สนับสนุนการฆ่ากันการทําลายชีวิตของผู้อื่น เช่นอย่าไปขายยาพิษอย่าไปขายอาวุธอย่างเงี้ยขายเครื่องกับดักสัตว์ขายยาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้หรือขายสุรายาเมาเป็นการส่งเสริมให้คนมึนเมาแล้วขับรถชนกันตายเนี่ยอาชีพแบบนี้ไม่ควรจะทำเพราะจะทำให้คนตายกันจากการที่เราทำอาชีพแบบนี้ถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นคนทำบาปเองแต่เราเป็นผู้สนับสนุน ผู้ส่งเสริมครับ ก, ก็เหมือนการทาธุรกิจก็ยังต้องมีกําไรกําไรก็มันมีความสุขสุขมันก็ไม่เที่มก็วนไปอีกมากถ้เาเราทำธุรกิจแล้วมีกําไรกําไรก็ไม่เกิดความสุขเป็นสุขที่มันไม่เที่เออก็ไปบวชเสร็จจะได้เจอสุขที่ที่มก <laughs> ็จะได้ไม่ต้องทําทําบาปไม่ต้องทํามิจฉาชีพบวชนี่อาชีพอ า, อาชีพของนักบวชก็คือบิณฑบาตเนี เลี้ยงชีพเป็นอาชีพที่ดีเพราะคนใส่บาตรก็ได้บุญด้วยเป็นการโปรดสัตว์ไปนั้นเรียกว่าโปรดสัตว์ไม่ได้เป็นการขอทานเข้าใจแล้วนะมีอีกไหมมีม่ะถามต่อคำถามฝาั อาระนั่งสมาธิแล้วเหมือนภูเขามันเคลื่อนไปเหมือนนั่งรถผ่านไปแล้วมันก็เงียบหายไปเลยเรียกว่านั่งได้ไหมเจ้าคะหรือว่ายังนั่งไม่ได้ก็พยายามพ่องฟุทโทไปแล้วมันหายไปพร้อมกันเลยคะ่ะอ่ให้มันหายไปเถอะเพราะเราต้องการให้มันว่างให้ใจมันว่างมันสงบถ้ายังมีอยู่นี้ยังแสดงว่ายังไม่ถึงเป้าหมายของเรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางของการภาวนา ก็ภาวนาต่อไปพุทโธต่อไปจนกว่ามันจะวุบลงไปแล้วก็นิ่งสงบแล้วทุกอย่างหายไปเหลือแต่สักแต่ว่ารู้เหลือแต่ผู้รู้เหลือแต่อุเบกขาเหลือแต่ความสุขคำถามจากคุณ l อวีในที่นายเตียทานแฟนทอมอยากถามเรื่องหนึ่งครับคือผมดูลมหายใจเข้าออกได้หนึ่งวันแล้ว วันต่อมาเหมือนสู้กิเลสไม่ไหวจะจับดูลมหายใจดูไม่ค่อยได้เลยครับขอคำแนะนาหน่อยครับและขอคำแนะนำการภาวนาแบบพุทโธครับจับจังหวะแบบไหนจับจังหวะตามลมหายใจอย่างนี้หรือเปล่าครับขอคำแนะนำในการเดินจงกรมด้วยครับว่าควรมีสติอยู่ที่ตรงไหนผมเดินแต่มันคิดไปเรื่อยพอตั้งสติได้ก็ดูลมหายใจขณะเดินผมทาแบบนี้มันถูกต้องไหมครับ การดูลมหายใจนี่จะเหมาะเฉพาะตอนที่เรานั่งเฉยๆจะดูได้ง่ายกว่ากรณีนั่งเฉยๆนั่งหลับตานี้ก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกหรือถ้าไม่ดูลมไม่ได้จะใช้คำบริกรรมแทนก็ได้บริกรรมพุทโธพุทโธไปจังหวะแล้วแต่เราจะสะดวกจะเร็วก็ได้จะช้าก็ได้แล้วแต่ความถนัดความพอใจของเรา จะพ่วงติดกับลมก็ได้ไม่ไม่ติดกับลมก็ได้ไม่ผูกติดกับลมก็ได้พุทโทรไปอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจลมหรือถ้าจะผูกติดกันก็ได้พุทเข้าโทรออกก็ได้แล้วแต่ความถนัดของเราเนี่เวลานั่งนะให้ใช้แบบนี้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งพุทโทรอย่างเดียวหรือลมอย่างเดียวหรือสองอย่างปนกัน ถ้าเดินก็จะดูที่เท้าก็ได้ว่าตอนนี้เรากำลังก้าวเท้าซ้ายขวาก็ดูไปซ้ายขวาซ้ายขวาอย่าไปคิดอะไรถ้ามันจะคิดจะเปลี่ยนมาใช้พุโทโธแทนการดูเท้าซ้ายขวาก็ได้เดินไปกับพุโทโธพุโทโธไปแต่ก็ต้องดูทางที่เราเดินด้วยนะไม่ใช่อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวเดี๋ยวเดินไปชนต้นไม้อ่ด้านสุดทางจงกรมก็ต้องเลี้ยวกลับหมุนกลับแล้วก็เดิน ให้มีสติกับการเดินควบคู่กับมีพุทโธคอยควบควบุมควา ม, ค, วามคิดอันนี้ก็ได้จะเดินช้าเดินเร็วก็ได้แล้วแต่เราบางทีมันง่วงก็เดินให้มันเร็วหน่อยมันจะได้หายง่วงถ้ามันไม่ง่วงก็เดินแบบสบายสบายเป้าหมายก็คือดูว่าใจคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้หรือเปล่าถ้าคิดก็ต้องดึงกลับมาที่ที่การเดินที่เท้าก็ได้เดินกลับมาที่พุทโธก็ได้ น, นี่คือการปฏิบัติคาถามากคุณรัตนสุดาเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าจะสอนยายทำสมาธิอย่างไรดีคะยายบอกว่าเคยเห็นคนทำสมาธิแล้วตายยายเลยกลัวเจ้าค่ะ อ, อ๋อก็ถ้ายายกลัวก็อย่าไปสอนเลยเออคาถามสกุลเทพธิดาการที่เราบริกา ร, รพุโทโธทั้งวันแม้ก่อนหลับหรือตื่น ก็รู้อันนี้สงนี้ได้เท่ากับการ น, นั่งสมาธิไหมเจ้าคะก็แล้วแต่ว่าพุโทโธแล้วจิตมันสงบหรือไม่ถ้าจิตไม่สงบก็ก็ซูนั่งสมาธิแล้วจิตสงบได้กว่าให้ดูที่ผลนะ่ะพุโทโธนี้เป็นเหตุนะแล้วจะเกิดผลหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าพุโทโธมันต่อเนื่องหรือไม่แล้วการที่จิตจะสงบได้จริงๆนี้ร่างกายต้องนั่งอยู่เฉยๆต้องนิ่งแล้วก็พุโทโธพุโทโธไป ถ้าไม่นิ่งมันจะไม่สงบเวลาเดินแล้วพุทโธพุทโธนี้มันจะสงบแต่ไม่สงบเต็มร้อยถ้าอยากจะให้สงบเต็มร้อยนี้ร่างกายต้องนั่งนิ่ ง, งๆไม่ขยับแล้วจิตมันก็จะได้สงบได้เต็มร้อยคำถามจากคุณวันสุขมีคำพูดที่ว่าการเป็นคนที่ให้มากๆยอมมากๆไม่ได้เป่งปรกกายคนน่าคบแต่ใช้แววความน่าหลอกใช้ หรือหน้าปั่นหัวกันมากกว่าเรียกว่าบุคลิกหลอกง่ายจะไปกระตุ้นอารมณ์ดิบๆเถื่อนๆของคนรอบข้างขึ้นมาหาได้กระตุ้นอารมณ์รักใครนับถือแต่อย่างใดแต่หนูกลับเชื่อและศรัทธาคำว่ายอมหยุดเย็นค่ะความจริงแล้วคนให้เนี่ยจะเป็นคนที่น่ารักผู้ให้นี้ย่อมเป็นผู้ที่น่ารักเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่น่ารักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย คนที่ให้คือคนที่มีความเมตตาเนี่ยจะเป็นคนที่น่ารักน่าเคารพเฉะนั้นคนที่บอกว่าให้แล้วเป็นอะไรนี่เราไม่ทราบว่าเขาเขาเอามาพูดอย่างไรนแะแต่ถ้าตามหลักความเป็นจริงที่พระเจ้าได้ทรงพิสูจน์แล้วทรงเห็นว่าผู้ให้นี่แหละจะเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่น่ารักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคําถามจากคุณพีโก ขอวิธีพิจารณาไม่ให้หลงในเสียงเพลงครับก็ให้เน้นว่ามันไม่เที่ยงฟังแล้วเดี๋ยวก็จบจบแล้วพอไม่ได้ฟังก็หงุดหงิดนำคาญใจเหมือนติดบุหรี่ติดเหล้านี่แหละคำถามฝากถามค่ะการภาวนาโดยพิจารณาทุกขังอนิจจังอนัตตาพิจารณาแต่ละข้อยังไงครับรบกวนพระอาจารย์แนะนำครับก็พิจารณาว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้มันเป็นทุกข์เช่นแฟน ถ้าเราไม่มีแฟนเราอยากได้แฟนเนี้ยได้มาแล้วจะทุกข์ทุกเพราะอะไรทุกเพราะว่าเดี๋ยวแฟนจากไปหรือแฟนไปมีไปไปมีแฟนใหม่ ท, ทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงแฟนไม่เที่ยงแฟนเป็นของชั่วคราวเวลาเขาอยู่กับเราเขาสุขแต่เวลาเขาจากเราไปก็จะทุกข์ไม่เที่ยงอนัตตาห้ามเขาไม่ได้ห้ามไม่เขาจากเราไม่ได้ สั่งให้เขาอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้อนัตตาแปลว่าเป็นของที่ไม่อยู่ในการควบคุมบังคับของเราเป็นธรรมชาติเป็นเหมือนของธรรมชาติฝนฟ้าอากาศนี้สั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้แฟนดาวเราก็สั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาเที่ยงสั่งให้เขารักเราอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้วันไหนเขาเบื่อเราก็โกรธเราเขาอาจจะไปมีแฟนใหม่ก็ได้ เ, เขาไปเราก็จะทุกข์เนี่ยอันนี้จังทุกขังอนาตตา คำถามจากนายณพลความทุกข์ใจเวลาที่มันเกิดความรู้สึกทุกข์ที่บ่อยความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจนทําให้รู้สึกว่าความทุกข์มันเริ่มเที่ยงแล้วเวลาสุขก็จะสุขแป๊บเดียวอันนี้เป็นเหตุให้ไม่เกิดปัญญาหรือเปล่าครับเพราะรู้สึกว่าเวลาที่ยิ่งทุกข์กลับรู้สึกว่ายิ่งโง่ครับถ้ายิ่งโง่ก็แสดงว่าไม่ใช่ปัญญาคนที่เห็นทุกข์นั้นแสดงว่าเขามีปัญญาเห็นว่า สิ่งที่เราคิดว่าเป็นสุขความจริงแล้วมันเป็นทุกข์อันนี้เรียกว่าปัญญาแก้ความหลงความหลงจะเห็นว่ามันเป็นสุขแต่พอเราเห็นว่าเป็นทุกข์แล้ยังมาคิดว่าเราโง่อยู่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงต้องไปคิดอย่างนั้นมันต้องคิดว่ามันเมื่อเห็นว่าเป็นทุกข์เราก็จะได้ไม่ไปยุ่งกับมันไม่ไปอยากกับมันไงอันนี้เรียกว่าปัญญาถ้าเห็นว่าทุกข์แล้วยังอยากได้อยู่ก็แสดงว่ายังโง่อยู่เช่นเห็นว่าอย่าง เห็นว่าแฟนนี้เป็นทุกแฟนทิ้งเราก็ยังอยากจะไปมีแฟนใหม่อย่างเงี้ยก็แสดงว่ายังโง่อยู่ถ้ามีปัญญาก็เข็ดแล้วไม่เอาแล้วทุกคนเดียวพอไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยคำถามจากคุณเจนนี่ยงพยายามชวนพ่อแม่และเพื่อนให้ปฏิบัติธรรมแต่เขาเห็นว่าการปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นแค่ปััเพือตัวดีไม่เดือดร้อนผู้อื่นก็พอแล้ว แม้กระทั่งการไปวัดทําบุญก็ไม่ค่อยมีคนสนใจไปด้วยเขาคิดว่าทําบุญอย่างอื่นดีกว่าเราควรพยายามชักชวนพวกเขาให้มาทางทางต่อไปหรือไม่คะ ก, ก็เมื่อชิญชวนแล้วไม่มาก็จบนะใช่ไหมเรานับเรามีหน้าที่ชวนแล้วเมื่อเขาไม่มาก็จบจะไปทํายังไงได้เหมือนกับเราใครมาชวนเราไปกินเล้าเราไม่ไปแล้วเขาจะมาเขาจะมาชวนเราบ่อยๆเราจะไปหรือเปล่า เราก็ไม่ไปอยู่ดีเมื่อเราชวนเขาไปทําบุญไปนั่งสมาธิเขาไม่ไปคุณจะไปชวนบ่อยๆเขาก็ไม่ไปอยู่ดีคุณชวนไปก็เหนื่อยไปเปล่าๆก็ปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาพะอาจารย์ครับคือปกติถ้านั่งสมาธิหรือเดินจงกรมหรือปฏิบัติภาวนาเลยถ้าเรานั่งไปสินาที20สนาทีแล้วก็ฟุง้งเราก็ต้องทนนั่งไปเรื่อยๆความฟุ้งเนี่ย มันจะค่อยๆลดลงหลังจากสาสิบนาที0ี่สิบนาทีจะลดลงลดลงถ้าผ่านไปชั่วโมงก็จะเริ่มนิถ้าผ่านไปชั่วโมงครึ่งสองชั่วโม ง, 2, โมงก็จะเริ่มได้ไดก็ดีก็ลองทีก็ลอ ง, งฝืนไปทาให้ฝืนไมครับก็ฝืนไปได้ก็ฝืนไปขันติอดทนแต่ต้องฝืนแบบมีสติด้วยต้องพยายามฝืนไปแล้วก็ให้มีสติด้วยถึงจะฝืนได้ถึงจะได้ผลถ้าฝืนแบบไม่มีสติมันก็อาจจะไม่ค่อยได้ผล ก็เลยคิดว่าถ้าเราอดทนแล้วก็ฝืนไปเรื่อยๆความฟุ้งหรือสิ่งก็ฝืนไปด้วยการให้มันอยู่กับลมต่อไปให้อยู่กับพุทโธต่อไปอย่างนี้ก็ททอ่าเรื่อยๆอย่างนี้แล้วต่อไปเดี๋ยวมันก็จะสงบได้ฟุ้งก็จะค่อยๆลดลงลดล ง, ลงแต่ถ้าไม่มีสติมันไม่ลดหรอกนั่งไปมันก็ยิ่งฟุง้งเดี๋ยวก็ฟุง้งจนกระทั่งระเบิดทนไม่ไหวถ้าไม่มีสติคอยสู้กับมันต้องมีสติสู้กับมันมันถึงจะ ลดลงได้สงบลงได้มีมีไหมครับที่เขานั่งมาที่นันนายแล้วจิตออกจากบ้างไม่เคยได้ยินนะจิตกับร่างกายมันไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่แล้วจิตกับร่างกายมันเพียงแต่มามาเชื่อมต่อกันด้วยวิญญาณจิตจะส่งกระแสมาเชื่อมต่อกับร่างกายมารับรู้ข้อมูลของทางร่างกายมารับรูปเสียงกิดนวดจากร่างกายไปจิตกับร่างกายไม่เคยอยู่ด้วยกันอยู่แล้วไม่ได้อยู่ที่เดียวกันอยู่คนละที่ มันเพียงแต่ตัดการติดต่อกันแท่นั้นเองเวลาจิตสงบจิตถอนกระแสตัวรับรู้เข้าไปในจิตเลยไม่รับรู้เรื่องร่างกายหรือเวลาตายไปมันก็แยกออกจากกันแค่นั้นเองเวลาตายนี่อะไรแยกออกครับก็จิตกระแสที่จิตส่งไปเหมือนกับเหมือนกับปลั๊กที่เราเสียบโทรทัศน์เนี่ยเวลาตายแล้วก็ถอดปลั๊กออกไฟก็ไม่เข้าไปในเครื่องโทรทัศน์ จิตส่งส่งปลักมาเกาะที่ตาหูจมูกเล่นกายเพื่อจะได้รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสพอเวลาตายไปก็เหมือนกับถอดปลักออกรูปเสียงกลิ่นรสไม่สามารถไปที่ใจได้ฉะนั้นที่บอกว่ามีวิญญาณก็ไม่มีก็วิญญาณหยุดไปไงวิญญาณที่มาเกาะตารูปเสียงกลิ่นรสมันตาหูจมูกเล่นกายมันหยุดทํางานมันกลับเข้าไปที่ใจ น่ามันก็ไปหารูปเสียงกลิ่นรสอันตามตาหูจมูกนิ้วกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่มันก็ไปเสียบปักใหม่เสียบไปที่ร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่เข้าใจไหมครับหาเวลานั่งเรา มีเวทนาปวดนี่เราควรที่จะทนดูก่อนเช่ไครับเพื่อที่จะไม่ควรทนมันอย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทโธต่อไปถ้าเราพุทโธก็พุทโธต่อไปอย่าไปสนใจกับมันถ้าไปสนใจแล้วเดี๋ยวมันจะทนไม่ไหวถ้าไม่ไปสนใจอยู่กับพุทโธ <award. S 2> เดี๋ยวบันลืมแล้วมันจะไม่นำขานมันจะอยู่กับความเจ็บได้มันมันเป็นศอกงถ้าเราเไป ด, ดูเวทนาใช่มันเป็นศองแล้วมันจะทําให้ใจเราวุ่นขึ้ น, นมาเอา แล้วมันจะไม่มีกําลังมันจะมันจะอยากให้พุทอยากจะให้ความเจ็บหายแล้วความอยากนี้จะทําให้ใจเราทรมานจนกระทั่งนั่งต่อไปไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ไปสนใจกับความเจ็บให้อยู่กับพุทโธพุทโธต่อไปความเจ็บมันก็จะลืมไปเราก็จะลืมความเจ็บไปเราก็จะอยู่กับมันได้ต้องรีบกลับมาหาพุทโธอย่าไปอยู่กับมันอยู่กับมันแล้วอยากให้มันหายพออยากแล้วมันจะเครียดจะทรมาน อ, อีข้อหนึ่งข้อสุดท้ายค่ะคําถามจากคุณสุขค่ะการทําทานช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนโดยชื่อเหลือญาติเพื่อนฝูงคนรู้จักแต่ยังไม่กว้างไปถึงผู้ที่เรายังไม่รู้จักเพราะไม่แน่ใจว่าเขาเดือดร้อนจริงหรือไม่เราจะถูกหลอกหรือไม่เราควรทําใจอย่างไรคะเมื่อก็นะก็ทําใจไงตามใจว่าจะถูกหลอกไม่ถูกหลอกนะ คนใจแคบหรือเปล่าก็ไม่แคบหรอกก็ถูกแล้วแหละเวลาเราทําเราก็ต้องเชื่อใจว่าเราไม่ถูกหรอกก่อนมั่นใจว่าเราไม่ถูกหลอกก่อนอย่างที่ทํากับผ้าเพราะคิดว่ามั่นใจว่าพระไม่หลอกเราเนี่ยเราก็ต้องทำกับคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆถ้าไปทำกับคนที่ไม่เดือดร้อนมันก็ไม่เกิดประโยชน์กับการไปสนับสนุนให้คนทําชั่วมากขึ้นอันนี้ไม่ไม่ผิดหรอกไม่ได้เป็นความตณีไม่เป็นใจแคบแต่อย่างใด แต่ถ้าอ้างว่าคนนั้นก็ไม่ไว้ใจคนนี้ก็ไม่ไว้ใจไม่ทําเลยอันนี้ก็อาจจะเป็นเป็นความตันหนีได้ต้องแบ่งปันถ้าเรามีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่นได้ทําไปเพราะมันประโยชน์กับเรามากกว่าไม่ได้ทําเงินทองที่เรามีอยู่เราเก็บไว้เฉยๆมันไม่เป็นประโยชน์แต่ถ้าเราไปทําบุญมันจะทําให้ใจเรามีความสุขมากขึ้นเอาละนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรกับเวลา